การแก้กิเลสไม่ว่ากิเลสประเภทใดอยู่ในหัวใจดวงใดในครั้งใดสมัยใดย่อมเป็นสิ่งที่แก้ยากด้วยกันทั้งนั้นเราอย่าให้กิเลสแทรกเข้ามาใน จ, ใจิตใจว่าการแก้กิเลสนี้แก้ยาก จะเป็นการตัดทอนกำลังความอุตสาห์พยายามของตนลงโดยไม่รู้ตัวคำว่ายากนั่นคือเรื่องของกิเลสคำว่าจะแก้จะถอดจะถอนให้ได้ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึง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 ให้ท่อถอยอ่อนแอรหรือลดละงานที่เป็นความดีนั้นไปเสียและถูกกิเลสถุดลากไปตามทางเดินอันดั้งเดิมของตนโดยไม่รู้สึกตัวการเรียนเรื่องของกิเลสต้องเรียนให้รู้ไปในขณะเดียวกันที่เราจะประกอบความภาพเพียรทุกๆประโยชน์ กิเลสจะแทรกเข้าไปทุกระยะโดยที่เราไม่รู้ว่าความคิดความเห็นดังที่กล่าวมาโดยยนยอ น, นี้เป็นกิเลสทั้งๆ ท, งที่นั่นคือความคิดความเห็นอันเป็นกิเลสโดยตรงที่กีดขวางการดําเนินเพื่อจะแก้หรือถอดถอนถอนมัน ทำทุกประเภทเพื่อจะตัดจะฟันถากทางสิ่งที่กิดขวางออกจากจิตใจทั้งนั้นท่านผู้เสาะแสวงทรมาได้นี้ท่านยากหรือไม่ยากแต่พระองค์ไม่ได้ทรงคำหนึ่งถึงเรื่องความยากความลำบากนั้นเพราะ เป็นเรื่องของกิเลสแต่จะคำนึงถึงความพยายามที่ได้เป็นผลสำเร็จดังความมุ่งหมายเท่านั้นจึงได้ผ่านพ้นไปได้และนำธรรมของจริงมาสั่งสอนพวกเราจนกระทั่งปัจจุบันนี้นี่คือจารยสดาของเราท่านดำเนินดังนี้เราเป็นลูกศิษย์ตถาคตอย่ากลายเป็นบ่อยของกิเลส ในคราบแห่งพระไปจะผิดความมุ่งหมายและทางดำเนินแล้วไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้ดังที่พวกเราทั้งหลายทำความภาคเยียนมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งถึงบัดนี้ผลแห่งทมที่บำเพ็ญมานั้นปรากฏอย่างไรบ้างหากปรากฏบ้างก็พอรุด หรือเล็ดลอดออกมาจากเงื้อมือของจิสได้บ้างหากยังไม่ได้เห็นผลอะไรเลยก็คือเรายังจมอยู่ในอานาจของมันหาทางออกไม่ได้นั่นแหละทั้ทงๆ ท, ที่กำลังประกอบความภาพเยีอนอยู่ก็อยู่ในความครอบงำของมันจนก้าวไม่ออกนี่ให้คิดให้คำนึงให้มากสติปัญญาเป็นสำคัญเคยพูด เสมอไม่เคยละเว้นในธรรมทั้งสองประเภทนี้เพราะเป็นเครื่องมือที่ทันเหตุทันผลทันกิเลสทุกประเภทมาแล้วแต่ครั้งพุทธกาลทำเหล่านั้นเป็นธรรมเครื่องหนุนกันมาโดยลดับกิเลสตัวใด ที่จะมาถือจิตเป็นที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่เหยียบย่ำทําลายของตนย่ำไม่ดีถ้าจะพูดเป็นเหมือนกับสิ่งที่มีวิญญาณก็ล้วกิเลสรักที่สุดสงวนที่สุดก็คือใจทํารักที่สุดสงวนที่สุดก็คือใจแต่นี้ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่มีวิญญาณ แต่เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นดูโดยหลักธรรมชาติของมันอย่างนั้นจึงต้องได้ทำความพยายามอย่าง ม, มีแบบมีฉบับมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์เป็นเครื่องดำเนินอยู่โดยสม่าเสมอไม่สักแต่ว่าทาไม่สักแต่ว่านั่งภาวนาเดินภาวนาเฉยๆสติ ต้องติดแนบกับจิตเป็นเครื่องรักษาจิตจิตจะถูกกิเลตผักดันออกไปทางใดย่อมแสดงความกระเพื่มขึ้นมาให้รู้ให้เห็นเฉพาะ อ, อย่างยิ่งสังขารขันเพราะถูกผลักดันออกมาจากภายในให้คิดให้ปรุงเรื่องของกิเลสทั้งมวลคุณชื่อว่าทาแล้วไม่ยอมให้คิดไม่ยอมให้ปรุง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 แล้วสิ่งนี้เป็นมรดกของมันที่ผิดขึ้นมาด้วยธรรมยังไม่มีกำลังวังชาพอที่จะยึดเอาขันเหล่านี้มาใช้เพื่อประโยชน์ของตนได้ตามความต้องการยิ่งถูกถูกยื้อแย่งแข่งดีกันอยู่เสมอระหว่างกิเลสกับธรรม ให้เราประมวลกองทุกทั้งมวลมาสู่ภพชาติปัจจุบันนี้หากสมมติว่าเราเกิดในภพนั้นกองทุกเท่าภูเขาลูกนั้นภพนั้นเท่าภูเขาลูกนั้นภพนั้นเท่าภูเขาลูกนั้นในสามแดนโลกขัตถ า, า น, นี้จะมีตั้งแต่ภุกกองแห่งทุก เป็นภูเขาหมดหาที่ตรงที่วางทุกขของผู้อื่นผู้ใดไม่ได้เพียงแต่ทุกของเราคนเดียวนี้ก็เต็มหมดทั้งสามแดนโลกฐานนี้แล้วแล้วใครเป็นผู้แบบผู้หามผู้รับภาระในกองทุกทั้งหมดนี้ก็คือใจเท่านั้นเป็น ผูรับภาระแต่ผู้เดียวเท่าที่เราลืมเนื้อลืมตัวในสิ่งที่เป็นมาแล้วทั้งๆ ท, ที่เป็นความทุกข์ความทรามานเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงน่าเกลียดหลาเพียงไรความจำความรู้ตามสิ่งที่เคยเป็นมาของเหล่านั้นก็ไม่มี ผูกลบล้างไปหมดด้วยความหลงลืมจึงเป็นเหมือนกับว่าเรานี้ไม่เคยได้รับความทุกข์ความลำบากไม่เคยได้เกิดในภพใดชาติใดสูงหรือต่งประเภทใดก็าตามและไม่เคยมีความทุกข์กดขี่บังคับทรมานจิตใจของเรามาบ้างเลยจึงทําให้เกิดความประมาทลืมตัว ได้เพราะความหลงลืมเหล่านี้หากเราสามารถยังทราบความเป็นมาของเราแล้วจะไม่มีสิ่งใดเลยในสามแดนโลกาฐานนี้จะน่ากลัวน่าขยะแขยงน่าเขลลาบยิ่งประกอกองทุกที่ผิดออกมาจากความเกิดนั้นนั้นจะเป็นตัวสำคัญที่สุดเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงและน่ากลัวน่าเขลลาบ ในขณะเดียวกันความภาคเคียรที่จะจะตะเกียบตะกายออกจากกองเพลิงใหญ่เหล่านี้ก็จะมีกำลังสติซึ่งไม่เคยมีเลยก็จะมีปัญญาที่จะสาะแสวงหาทางเล็ดลอดออกไปให้พ้นไฟมรยกานนี้เสียก็จะมีขึ้นมาตามลาดับดังดา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 ใครจะไปนอนคอยให้เสือกัดเสือกินนอกจากจะหมดกำลังเทยจริงไปไม่ได้แล้วถึงจะยอมล้มล ง, ลงและตัวสั่นให้มันกัดกินไปหากยังพอตะเกียกตะกายได้แล้วจะไม่มีรายใดเลยนอนคอยให้เสือกินอยู่เท่านั้นไม่มีทุกนี่ร้ายกว่าเสือ ร้อยเท่าพันทวีเพราะเคยเป็นมามากเป็นมานานในจิตใจของเราแต่ละดวงละดวงและในภพของเราแต่ละภพระชาติประมวลมาแล้วไม่มีที่เก็บเต็มไปหมดทำไมจะไม่กลัวเมื่อเห็นประจักษ์ใจอยู่เช่นนั้น แต่นี่ก็เพราะความหลงความลืมอวิชามันปิดมันกั้นไว้เสียมากระทบกระเทือนมาโดนแล้วโดนเล่าแบกแล้วแบกเล่าถูกเผาหลนแล้วเผาหลนเล่าก็ลืมไปหมดเสียจำไม่ได้จึงเป็นเหมือนว่ามีทุกข์เพียงเล็กน้อยภายในจิตใจขณะที่เกิดในภกชาตินี้เท่านั้นจึงทำให้เรานอนนอนใจ ไม่อยากก็กอบความภาพเปลี่ยงตะเกียบเพื่อตะเกียบแตะกายให้หลอดพ้นไปจากกองทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ได้ความจริงแล้วเป็นดังที่อธิบายมานี้ในเรื่องความทุกข์ทั้งมวลเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่าขยะแข ย, ยงน่าเกลียดหลาบไม่มีอันใดเสมอในเราแต่ละรายละหลายนี้ เคยเป็นมาเช่นนั้นแล้วและยังจะต้องแบกหามหรือทนความทุกข์ความทามาณซึ่งจะแผดเผาเพราะอำนาจกิเลสไปอีกกีกับนับไม่ถ้วนถ้าไม่รีบสลัดปัดทิ้งเสียด้วยความภาคเพียรด้วยการแก้การถอดถอนต้นเหตุของมันคือตัวกิเลสอันนี้ออกให้หมดจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วหายห่วงเท่านั้น ไม่มีทางอื่นเป็นที่เป็นทางหลีกเลี่ยงทุกทั้งหลายซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจถ้าไม่จ่อความภาคเพียนเข้าไปสู่จุดนั้นดังพระพุทธเจ้าและสาวุขทั้งหลายท่านทรงดำเนินและดาเนินมาและประกาศธรรมสอนให้พวกเราทั้งหลายทราบุ้วนสอนด้วยความเห็นภัยและความเห็นคุณอย่างแ ท, ท้จริงไม่มีทำใดจะ จริงแท้แน่นอนเสมอธทรรมของพระพุทธเจา้าและความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเราเชื่อพระพุทธเจา้าเชื่อสาวกทั้งหลายต้องน้อมเข้ามาสู่จิตใจให้เห็นว่าภัยที่กล่าวแล้วทั้งหมดนั้นเป็นภัยที่สุดสุดร้อนร้อนเผาอยู่ภาจิตใจนี้เรื่อยมาจะเป็นอดีตมาแล้วก็คือเผาอยู่ที่ใจนี้ดวงปัจตุบันนี้จะรับ เพราะกรรมต่อไปในะอนาคตข้างหน้าข้อไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดจะมาเลาะมารับนอกจากใจดงนี้เท่านั้นซึ่งเป็นภาชนะของกล่องทุกทั้งหลายอยู่แล้วจึงควรอย่างยิ่งที่จะประกอบความภาพเปลี่ยนด้วยความพระหมักคำาม้นเป็นความดูดดื่มปรีติยินดีที่จะหลุดพ้นออกจากทุกได้ด้วยความตะเกียบตะกายนโดยไม่คิดคำนึงถึงว่า การประกอบความภาคอย่างนี้เป็นความล ำ, ลำบากอันเป็นแง่แห <Hey. S 1> ่งความหลบหลวงของยีเดชประเภทหนึ่งที่แทบปโดยลําดับในประโยคแห่งความเพลี่ยนของเราการทําทสมาธิภาวนาผู้ฝึกหัดเบื้องตน้นก็มีทำหลายบทหลายบาทที่จะควรเลือกได้ตามจริตนิสัยที่ชอบตั้งตน้น อนอนาปานสติก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วปุตติยังไม่เคยได้ยินก็มีพึงกำหนดลมหายใจเข้าออกลมนั้นสัมผัสที่ตรงไหนมากกว่าเพื่อนเช่นด้างจมูกเป็นต้นเป็นที่สัมผัสเด่นชัดของลมที่ผ่านเข้าออกมากกว่าเพื่อนให้พึงกำหนดความรู้อยู่ในจุดที่ลมสัมผัส น, นั้น โดยความมีสติระมัดระวังอย่าได้ส่งใจไปอื่นไปไหนคาดเขตุคาดผลนอกเหนือจากหลักความจริงคือจิตกับลมที่สัมผัสสัมพันธ์กันนั้นนั่นคือหลักความจริงอยู่ที่ตรงนั้นลมเข้าก็ให้รู้ลมออกก็รู้แต่ไม่ให้ตามลมเข้าไปและออกไป ให้ทำความรู้อยู่เพียงเท่านั้นไม่ต้องขาดต้องคินไม่ต้องหาภาระความยุ่งเหยงิงวุ่นวายใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องงานของตนในขณะนั้นให้มีแต่ความรู้กับลมที่สัมผัสกันเท่านั้นนี่คือการภาวนาด้วยความถูกต้องและจะยังเข้าสู่ความสงบจนได้ไม่สนสัยถ้ามีสติ ด, ดังที่กล่าวแล้วการภาวนาด้วยลมก็ดีด้วยทำบุตรใดก็ดี เราไม่มุ่งหมายจะเอาลมและเอาทรามบทนั้นมาเป็นหลักเป็นเตือนเป็นสาระแก่สารเป็นมรรคผลนิพพานเป็นความบุญพ้นจากทุกข์แต่เราหมายเอาใจดวงที่รู้รู้อยู่นี้ต่างหากเหตุที่อาศัยทำเหล่านั้นหรือบริกรรมในธรรมบทนั้นหรือนำธรรมบทนั้นนั้นมาพอนาก็เพราะจิตของเรายังไม่มีที่ยึดที่เกาะ จึงต้องอาศัยบทธรรมนั้นนั้นมีลมหายใจเป็นต้นเป็นที่ยึดที่เกาะของจิตเพื่อจิตจะได้ตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งหลักตั้งฐานได้ในจุดนั้น น, น้หรือในธรรมนั้นๆแล้วย่างเข้าสู่ความสงบได้เมื่อจิตสงบลงไปความรู้นี้จะเด่นชัดแม้ที่สุดคำาบ ร, ร, รมที่กำลัง บริกรรมอยู่นั้นก็กลมกลืนเป็นอันเดียวกันกับความรู้ความบริกรรมนั้นก็หมดความจำเป็นไปในขณะที่จิตได้เข้าสู่ความสูปอันควรต่อยวางคำบริกรรมได้แล้วอนาปานสติก็เช่นเดียวกันไม่ผิดอะไรกันเหมือนลมละเอียดลงไปละเอียดลงไปก็รู้คำว่าลมละเอียดก็ได้แต่จิตนั่นแหละละเอียดไปตามกันเมื่อถึงขั้นที่ละเอียดเต็มที่แล้ว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 เป็นแต่เพียงว่าจิตของเราไปยึดไปมั่นสําคัญต่างๆและอาการนั้นว่าเป็นอย่างนั้นอาการว่าเป็นนี่แล้วควรตัวเองหาความสงบไม่ได้เท่านั้นเพราะงั้นจึงภาวนาเพื่อการต่อยวางอารมณ์ทั้งหลายเหล่า น, นั้นให้ยึดลมหรือคําำโดยคำนั้นเพียงอารมณ์เดียวเพื่อจะได้เข้าถึงความรู้อันแท้จริงได้จาจิตนี่การภาวนาเบื้องต้นก็เป็นอย่างนี้ให้ยึดนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ แน่ใจว่าไม่ผิดถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเห็นความแปลกประหลาดความสงบไม่เคยเห็นก็จะเห็นความเยงใจความแปลกอัศจรรย์ก็จะเห็นไปโดยลำดับลำดาตามความละเอียดของจิตของการภาวนาของตนนี่คือภาคสมถะก็เคยได้อธิบายให้ฟังแล้วภาคสมถะนั้นไม่ค่อยกว้างขวาง ม, มากมายนะัก มีจุดเป็นที่รวมรว ม, ล, วมลงดังที่กล่าวนี้จะภาวนาบทใดก็าตามตามแต่ความถนัดของจิติตใจของเรานำมาบริกรรมได้ทั้งนั้นไม่ขัดส่วนปัญญานี่ต้องได้ใช้ความคิดความอ่านพาคิดพาตรองพินิจพิจารณาถ้าไม่ใช้ก็จะนอนจมอยู่กับความสงบนั้นแล้วก็ไม่ถึงไหน มีแต่ความสงบอยู่เพียงเท่านั้นไม่เปลี่ยนสภาพของตัวเองให้มีความละเอียดแยบคายและสอดส่องมองทะลุเห็นสิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้ซึ่งสังจมอย่างละเอียดอยู่ภายในจิตจึงต้องใช้ปัญญ า, พ, พ, าพินิจพิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งรูปประขันเป็นสำคัญคือกายนี้ไม่ว่ากายนอกกายใน ให้ถือเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเสมอกันตามแต่ความถนัดในการใดเวลาใดจะอวนพิจารณาข้างนอกหรือข้างในรูปนอกหรือรูปไหนกายนอกหรือกายไหนกายเขาหรือกายเรากายร่างกายใครก็ตามแม้สัตว์เดรัจฉานก็ไม่ไม่ขัดข้องพิจารณาได้ทั้งนั้นเพราะเป็นธรรมเหมือนกันรวมอยู่ในอนิจจังทุกขังตารวมยง ปฏิคูณโสโครเพื่อความเบื่อนหน่ายใช้ความกำหนัดยินดีด้วยกันเพื่พิจารณานะปัญญาถ้าไม่นำออกใช้จะไม่กล้าออกจะไม่ปรากฏว่ามีปัญญาเลยจะเห็นแต่ความรู้เด่นชัดละเอียดละอออยู่ภายในภายในเท่านั้นซึ่งความรู้นั้นก็เป็นความรู้ที่ปฟืน ขีเละทั้งหลายนับแตู่ปารดาูปารดาหักันดักดาหนั ก, นนกันโทเวนูปารดาหนันโทเป็นต้นไปยึดอยู่ในรูปประขันความรู้ที่ยึดอยู่ในรูปประขันในเวทนาขันในสัญญาขันในสังขารขันในยินยานขันถึงจะละเอียดก็ละเอียดอยู่ด้วยความยึดถอนไม่ได้ ถ้าไม่ใช้ปัญญาออกแยกแยะพิจารณามีรูปประขันเป็นสําคัญในขั้นเริ่มแรบกบแต่จะแยกไปทางเวทนาขันสัญญาขันตามโอกาสอันเหมาะสมในยุคนั้นก็ไม่ขัดข้องทั้งทั้งที่เรากําลังพิจารณารูปประขันจิตใจซึมทราบจะซึมทราบไปถึงเวทนาขันเช่นสุขทุกข์เฉยๆหรือสัญญาสังขารขันก็ตามปเป็นทำไปด้วยกันเท่านั้นในขณะนั้นเรียกว่าทํางาน ทำงานในรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขันขันวิญญาขันเป็นการทำงานเพื่อถอดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันนี้ด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุของปัญญาด้วยขันทั้งนั้นเจิงไม่ผิดให้ใช้พิจารณาให้ใช้ปัญญาพิจารณาอย่านอนใจปัญญาจะเกิดจะมีขึ้นด้วยการ น, นำออกใช้ด้วยการชอบคข้ครวรไตรตรอง ข้งนอกก็ตามข้างในก็ตาพิจารณาแล้วพิจารณาเราหากจะสะดุดในขดในขนดขณะหนึ่งจนได้ถ้านําออกชายนอกจากไม่นําออกชายมีแต่ความสมบงบเขาจมอยู่นั้นตลอดไปไม่มีทางที่จะเปลี่ยนสภาพออกสู่ความแยบคายเห็นความสว่างกระจ่างแจ้งในความจริงทั้งหลายนั้นได้เลยเพียงสงบตัวเท่านั้นก็เหมือนกันกับหินทับยาก เวลาหินทับอยู่ยาก็ไม่เกิดพอยกหินออกเท่านั้นยาก็เกิดถ้าเป็นปัญญาแล้วขุดค้นมันทั้งลากไม่มีเหลือนี่แหละปัญญานี่เพื่อจะขุดคน้นตัวอุปทานซึ่งมันสังจมอยู่ตามรูปตา ม, ตามเสียงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือตามรูปเสียงกลิ่นนสดเครื่องสัมผัสถอนออกด้วยปัญญาพิจารณาให้ดีกี่ครั้งกี่หนญาไปนับ ยาไปคำหนึงคำนวณสิ่งที่มุ่งหมายสิ่งที่ต้องการอย่างยิ่งคือความรู้แจ้งพิจารณาครั้งนี้ไม่แจ้งไม่ชัดพิจารณาอีก จ, จนแจ้งจนชัดจะเอาเวล่ำเวลาเข้ามาทําลายกําหนดเวลากำหนดเท่านั้นเวลาเท่านี้กําหนดเท่านั้นครั้งเท่า น, นี้ครั้งมันเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของกิเลสให้กําหนดลงสู่ความจริงให้รู้จริงเห็นจริงด้วยการพิจารณาทางปัญญา จนแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วปล่อยวางไปนั่นคือความจริงนี่เป็นธรรมแท้ให้กําหนดอย่างนี้ร่างกายก็แยกเข้าไปนับแต่ผมขนเล็บปันหนังดูให้ดีนี่คือความจริงหันหาความสวยความางามไม่ได้หาความกีรังถาวรไม่ได้หาความสุขในร่างกายเหล่านี้ก็ไม่เจอ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 หวังออกอะไรกับมันดูเข้าไปให้ตลอดทั่วถึงบังคาบจิตมีสติในขณะที่พิจารณาอย่าทำศักิ์แต่ว่าทำแล้วเละๆร่อนๆถลๆๆเอถไหลออกไปนู่นไปนี่กลายเป็นสัญญาอารมณ์แล้วเป็นโลกเป็นกิเลสไปเสียก็หาปัญญาความเห็นดูจริงเห็นจริงไม่ได้เมื่อเป็นแล้วผลจะปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาได้อย่างไร เมื่อสติปัญญากายเป็นสัญญาอารมณ์ไปตามโลกตามสารตามกิเลสปัญหาไปเสียไม่มีทางที่จะได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่เป็นจริงอยู่นี้ได้เลยจึงต้องอาศัยความพยายามเอาให้จริงให้จังอย่าไปคาดไปหมายกว้างแคบลึกตื้นอย่างละเอียดที่ไหนนอกไปจากวงบัญญัติขันนี่เรียกดูในวงบัญจัขันนี้มืดก็มืดอยู่ที่นี่ติดอยู่ที่นี่ ทุกข์ร้อนอยู่ที่นี่บีบบังคับอยู่ที่นี่ด้วนได้ตั้งแต่อำนาจของกิเลสอำนาจของทุกข์ซึ่งเกิดจากความผิดของกิเลสทั้งหมดอยู่ในขันในใจของเหล่านี้การพิจารณาจิคนค้นคว้าลงไปให้เห็นตามความจริงของมันดูภายนอกภายในหนังเป็นอย่างไรขี้คายออกให้เห็นตามความจริงไม่ได้มีปลอมเลย สิ่งที่ปลอมว่าสวยว่างามว่ากีรังถาวรนั้นคือเรื่องของกิเลสทั้งหมดมันปักเสียบไว้หมดรอบอวัยวะทั้งภายในภายนอกหลอกหลอนว่าเป็นของน่ารักให้ชอบใจเป็นของกีรังถาวรเป็นสมบัติอันพึงใจมันพึงใจที่ไหนหนังเนื้อเอ็นกระดูกพึงใจที่ไหนสิ่งที่พึงใจคือความดุดลอยจาก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 เรานักปฏิบัติถ้าเดินตามรอยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นี้จะไปไหนผลจะพึงเป็นที่พอใจโดยไม่ต้องสงสัยในการปฏิบัติธรรมให้ปฏิบัติอย่างนี้พิจารณาให้แหลกละเอียดถือด้านการนี้เป็นสนามลบหรือเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเป็นเวทีที่รบกับกิเล็ความยึดมั่นถือมั่นความมืดบอดทั้งหลายด้วยปัญญาความสอดส่องมองทะลุไปตามหลักธรรม คือหลักความจริงให้เห็นไปทุกแง่ทุกมุมว่าเป็นความจริงล้วนๆความปลอมล้วนๆก็จะขาดลอยไปโดยลำดับลำดาเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงชัดเต็มหัวใจแล้วย่อมสนัดปัดทิ้งทั้งอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในรู ป, ปรขันเป็นต้นทั้งปล่อยวางการพิจารณาขัน คือรูปประขันเป็นต้นนี้ได้ในขนาดนั้นแล้วสิ่งใดที่สัมผัสสัมพันธ์กับใจควรจะการพิจารณากันต่อไปเวทนาสัญญาสังขารยัญ่าก็พิจารณาในทำนองเดียวกันนีนอกจากเราจะแยกเรื่องอยสุภสุภังออกกลายเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาไปตามขั้นของสภาวะธรรหรือตาม สภาพของสภาวะธรรมซึ่งไม่เกี่ยวกับไม่จังไม่เกี่ยวกับอรุภะอสุภังเหมือนร่างกายก็พิจารณานั้นคืมทราบเข้าไปโดยลำดับตาดาร่างกายนี้จะออกมาชั่วระยะเพียงเป็นทิพักผ่องหย่อนใจเท่านั้นไม่เลยพิจารณานเพื่อรู้แจ้งแทงทะลุเพื่อถอดเพื่อถอนอุปทานในร่างกายเพราะรู้แล้ว พิจารณาพอแล้วรู้ทักภาณใจิตใจว่าพอแล้วหนะไม่มีใครบอกก็รู้เวทนาที่เกิดขึ้นภ า, ายในร่างกายมันก็ทำให้รู้ไปตามกันนอกจากเวทนาทางใจซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดกว่าการเข้าไปอีกสัญญาสังขารยิญญ่งาหก็เป็นอาการอันหนึ่ ง, งที่ออกมาจากใจ ทิ้งัรนนี้ก็เป็นอาการฟังแต่ว่าอาการอาการเป็นไหลมันเป็นของจริงของจังเมือ่อไรเต็มไปด้วยอ น, นิจจังทุกข์ของตาเหมือนกันหมดมีอยู่เต็มตัวของสังญญาทั้งทั้งขานห็นอย่างของเวทนาท่นนั้นนั้นใช้ปัญญาพิมิพิจณา่าสนใจกับการกับสถานที่กับเวลาเวลา่าสนใจกับโลกของสานนี้ว่ามีกว้างมีแคบมีมากมีน้อย ในบรรดาสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ยิ่งกว่าการสนใจกับการพิจิตรพิจารณาของตนในงานของตนมิเท่านั้นประหนึ่งว่าโลกธาตนี้ไม่มีอะไรมีเฉพาะงานที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ในเวลานี้เท่านั้นนั่นคือการประกอบความภักเพียรโดยแท้จริงในขั้นของจิตขั้นนี้เป็นอย่างนั้นแม้ขั้นอื่นๆก็เหมือนกันเห็นเราจะทำสมาธิภาวนาก็ให้ปล่อยวางเสียทั้งหมด ในบรรดาสิ่งทั้งหลายที่เคยเกี่ยวข้องกันกับอฉันเป็นปัญญาอารมณ์กับมันให้นี่ตั้งแต่คําบริกรรมไม่เท่านั้นนอกนั้นเหมือนไม่มีเหมือนโลกไม่มีคือไม่คิดไม่ยุ่งไม่เกี่ยวให้ให้คิดให้ตรึงเฉพาะคําบริกรรมรู้อยู่เฉพาะคําบริกรรมอันเดียวเท้นานัน้นนะแม้ขั้นเริ่มแรกก็เป็นเช่นนั้นยิ่งเข้ามาขั้นถึงขั้นอันละเอียดขั้ น, นอ่ะ เลยพนาสัญญาสัมผัสสิอย่างนี้ด้วยเลยฮะก็ยิ่งเหมือนไม่มีอะไรมีเฉพาะสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์กันกับปิดกับสติปัญญาให้รู้รับรู้กันเป็นระยะระยะนี่เกิดดับเกิดดับเกิดดับเป็นระยะรยะตามรู้ตามเห็นกันเป็นระยะระยะขุดกันไปค้นกันมาอยู่อย่างนั้นเป็นระยะระยะจนกระทั่งมันรอบตัวเมื่อรู้ช้าตามประจิงทั้งรูปเนี่ย ทั้งเวทนาในขันธารูปวันนี้ทั้งสัญญาความจําได้หมายรู้ทั้งสังขารที่พดทรุงขึ้นยิบยับยิบยับทั้งวิญญาณความรับทราบจากสิ่งภายนอกแล้วสิ่งเหล่านี้จะมีปัญหาอะไรก็มกีเพียงอาการที่ยุบยับ ย, ยุบ ย, ยับอยู่เพียงเท่านั้นจะถือเอาสาระสัมผัสใดก็ไม่ได้ และรู้ชัดตามเป็นจริงมันด้วยไม่ยึดมั่นถือมั่นในอาการเหล่านี้ด้วยเนี่ยยึดย่อมจะสัมผัสสัมพันธ์ตัวเข้าไปเรื่อยเื่อยสติปัญญาหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปเนี่ยที่นี่วงกว้างวงแคบของจี่จะเห็นได้ชกดที่แรกมันยึดเยอาไปหมดโยงระโย ง, ร ะ, โยงระยางไปทั่วโลกดินแดนเราไม่เคยเห็นความสัญญาลมมันก็ไปขาดไปไปหม ให้หลงยึดหลงถือหลงหลงลมหลงแรงไปหมดนั่นแหละเราก็ยังยอมเชื่อมันเขาพูดเรื่องอะไรลายอยู่กี่ทวีปมันก็ประยึทธ์มาเป็นอารมณ์ถือเป็นเหมือนของกิงของจังปั้นภาพขึ้นมาลอกตนเองอยู่ทั้งวันทั้งคืนทนั้งน่ น, นอนไม่ตื่นเงาเราเขายังตื่นมาแล้วแล้วยังจะไปเสียดายความตืนนองาตัวนั้นอีกก็ทีนี้มันก็ย่นเข้ามา เมื่อพิจนานรณารู้แจ้งเห็นชัดแล้วมันก็ปล่อยเข้ามาไอเรื่องเงาไกลไกก็ปล่อยเข้ามาตื่นเงาไกลไกก็ปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาจนระทั่งถึงธาตุถึงขันต์ปล่อยเข้าไปจนระทั่งถึงใจปัญญาสอดแทรกเข้าไปภายในใจตัวใจนั้นคื อ, คอรังอวิชชารังของภพของชาติเมื่อถูกตัดขาดจากสิ่ง เกี่ยวข้องกันหมดแล้วไม่มีทางออกสะพานของอวิชชาทางเดินของอวิชชาก็คือตาของส์จมุกลิงกาคือรูปเวทนาทัญญาทั้งขา น, นยินดานได้ถูกตัดเข้าไปเป็นําดับตำดาได้ตัดขาดจากกันได้ด้วยมันยังเหลือแต่อวิชชาที่อยู่ในจิตที่เรียกว่าอุมโมงค์และจอสติปัญญา ขั้นหนาบลงไปตรงนั้นนั่นคือสมมุติอันละเอียดนั่นคือสิ่งที่ติดอันละเอียดนั่นคือพบอันละเอียดดูตรงนั้นพบอยู่ที่นั่นชาติอยู่ที่นั่นทุกอยู่ที่นั่นรติปัญญาฟาดฟันหั่นแหลกลงไปจนธรรมชาตินั้นแตกกระจายก็ไม่มีเหลือแล้ว ความรู้นั่นแหละที่คันเรียกว่าวิมุต์เมื่อสมมุติอันละเอียดเือวิชาปฏิยาสร้างค่าราดได้ถูกทำลายไปแล้วจากสติปัญญาอันทันสมัยจิตวิมุตร์ก็แสดงตัวเต็มที่ไม่มีอะไรเหมือนขึ้นชื่อว่าสมมติทั้งมวน ไม่มีอะไรเหมือนเพราะนั้นไม่ใช่สมมูินั่นเป็นวีมุรแม้จะอยู่ในธาตหใขันก็อยู่โดยหลักธรรมชาติอัตโนมัติของตนไม่ถูกบังคับบัญชาหรือไม่ต้องบังคับบัญชาว่าอย่ายึดนั่นอย่าถือนี่อย่าหลงนั้นนั่นเป็นสมมติอย่ายึดไม่มีเป็นหลักธรรมชาติกินใครกิงเรา ขันทั้งห้าจึงถือว่าเคยเป็นฆาติษย์เพราะที่พาให้เป็นข้าติษก็กลายเป็นความจริงเสมอกันไปรูปก็จริงเวทนาในธาตุในในรูปประขันก็ได้แก่สุขทุกข์กเฉยเฉยก็จริงสัญญาความจําได้หมายรู้ก็สักแต่ว่าจําสักแต่ว่าจําพราะเป็นความจริงทั้งขานกันเพียงคิดปรุงยิบยับยิบยับแล เ, เกิดไปพร้อมดับไปพร้อมเปิ ด, ปดกลับดับพร้อม ก็เป็นความจริงอันหนึ่งแต่ว่ารับทราบรับทราบรับทราบแล้วดับไปดับไปตามหลักธรรมชาติของมันเพราะไม่มีตัวคอยยืดคอยถือคอยเกาะคอยเกี่ยวให้เป็นสิ่งที่ยืดยาวไปต่อไปเหมือนที่อวิชชาเป็นตัวการมีอยู่แล้วนี้จิงกลายเป็นของจิตธรรมหลักธรรมชาติของตนจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วก็เป็นความจริงของนตนเต็มภูมิ ระหว่างขันห้ากับจิตที่อยู่ด้วยกันก็ไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันให้ที่เรศที่เคยให้ความกระทบกระเทือนต่อจิตใจมามากน้อยเป็นเวลานานเท่าไหร่ก็ยุ ต, ติหรือว่าเป็นอันว่าสลายลงไปแล้วหมดปัญหาตั้งแต่ขณะนั้นขึ้นชื่อว่าปัญหาทั้งมวลที่เกี่ยวกับจิตตรงนั้นจึงไม่มีอีกต่อไปตลอดอนันตากาล นิพพานเที่ยงเที่ยงตรงไหนเราหาที่หานิพพานเที่ยงให้เห็นความจริงของนิพพานเที่ยงแล้วก็หมดปัญหาให้เห็นความจริงของศ า, ศาสดาองค์เอกแต่และองค์องค์ แ, แล้วก็หมดปัญหาให้เห็นสังฆังสนังขาฉามิทุกๆองค์ที่ท่านเป็นสังฆังสนังขาฉามีมาตั้งแต่กาลไหนๆเมื่อเจอตรงนั้นแล้วก็หมดปัญหา <Uh ไม่มีอะไรผิดแตกต่างกัน ขึ้นคือว่าจิตตะวิมุตต์แล้วเป็นหลักธรรมชาติอันเดียวกันหมดนั่นหาเนปัญเที่ยงก็หมดหาเนิปั่ที่ไหนก็หมดปัญหาอพระพุทธเจ้า พ, พระสงฆ์ชาวกท่านปริพันธ์แล้วท่านไปอยู่ที่ไหนก็หมดปัญหาลงในขณะเดียวกันเพราะธรรมชาตินั้นเป็นเครื่องยืนกันยางประจักใจอยู่แล้วสงสัยแต่ไหนเมื่อถึงขั้นไม่สงสัย จะบังคับให้สงสัยก็สงสัยไม่ได้นั่นะความจริงจึงเสมอกันที่เราทั้งหลายกราบว่าบูชาพระเที้ยวเขาทำมาสง์อยู่แล้วนี้กราบธรรมชาตินั่นเองธรรมชาติอันนี้เป็นจุดท่าพระพูดเป็นจุดเป็นที่จุดที่หมายแห่งการยึดการเกาะของสัตว์โลกชาวพุทธเรากล่าวเกรเงวาจา ร, ระลึก ทางใจถึงผู้ธดเจ้าประสงค์เราทำประสงค์จึงไม่เป็นโมฆะเต็มไปด้วยเด้วยผลเต็มเพราะด้วยธรรมเต็มไปด้วยความจริงบางที่เราตั้งหลายได้กล่าวไหวบูชามาแล้วจึงท้าจึงทําให้ถึงความจริงเถิดพุทธังธรรมังสนังฉามินี่จะเป็นธรรมแท่งเดียวอยู่กับใจดวงที่บริสุทธิ์นั้นไม่สงสัยอยู่ที่ไหนก็เหมือนกราบพระพุทธเจ้าตลอดเวลาพระธรรมพระสงฆ์นี้ตลอดเวลาเมื่อถึงขั้น ที่ใครเห็นเราผู้นั้นเห็นแต่ถาผู้ใดเห็นธรรมผนั้นเห็นเราถาคนแล้วก็เป็นอเดียวกันไม่มีทางสงสัยแล้วทีนี้เอาทียบกันเลยกับเรื่องความทุกข์ทั้งมวลที่เป็นตัวมหาภายัยหน้าเข็ดหลาดหน้าขยะขยงหน้ากลัวอย่างยิ่งกราบสิ่งที่ น่าพึงใจอย่างยิ่งนี้ว่าปรามังสุขขังปรามังสุขขังคุ้มค่าไหมทุ่มความภาคเพลินลงไปพึ่งเป็นพึ่งตายกับทําทุกข์ยากทําบากไม่สนใจเพราะเป็นเรื่องของจิเลสการตะเกียกตะกายเพื่อหนีภัยจะถือเป็นความทุกข์ยากอยู่ต้องนอนรงอยู่กับภัยจะวิ่งจากเสือร้ายเพื่อความรอดตายของตัวเองก็กลัวจะลําบากก็ต้องยอมให้เสือร้ายกัดกินเป็นอาหารซะสิไปยังไง ไทยจะยอมให้เสือร้ายกัดกินอาหารถ้ามีกำลังพอทะเกียบตะการได้อยู่เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากไม่ใช่เหรอเสือทั้งตัวที่อ้าปากจะกัดอยู่แล้วนั้นกับเราทั้งคนที่จะเป็นอาหารของเสืออยู่เวลานั้นเมื่อกาลังวังชาชีวิตจิใ จ, จยังมีพอตะเกียบตะการอยู่ไทยจะไปยอมนอนให้เสือกัดกินเป็นอาหารเนา น, นี่ก็เหมือนกันความมหาภัยมหาทุกนี้ ยิ่งร้ายกว่าเสืออีกไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านตัวเรายังจะยอมให้มันกัดมันกินมันบีดมันทันนี้ตลอดไปแเราหรือทัตติปัญญากําลังบังฌามีอยู่ต้องตะเกียบตะกายความทุกข์ความลําบากไม่สนใจในขณะที่จะหนีให้รอดพ้นให้รอดพ้นจากภัยนั้นเหมือนกันกับหนีให้รอดพ้นจากเป็นเดื่อของเสือต้องตะเกียบตะกายสุดฝีมือ ผู้ปฏิบัติตนเพื่อจะตะเกียบตะการตนที่จะให้พ้นจากวิเลศอันเป็นทายไล่ที่สุดเปรียบเหมือนเสือหรือยิ่งกว่าเสือนั้นก็ต้องในตะเกียบตะการให้เต็มกําลังความสามารถของตนขาดที่ไหนขาดไปหัวใหญ่เอมันไปมาได้แล้วมันก็บอกตัวของมันเองกล้าไม่ได้แล้วก่ก็มันก็นอนอยู่นั้นเองเอ้าตายก็ตายตายในนักรบในแดนแห่งนักรบ ไม่ใช่แดนแห็กลกลกนักหลบหลบนนลีกหนูให้จิเดียคาบเอาค า, า, าบเอาตื้นเอากลืนเอาถือว่า ต, น เ, าตนเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดแล้วเหรอทําความเพียรอ่อ น, ออ น, ออนอแอเยอะเย้ยหาที่ดกดีกปีกตัวล่าตัเป็นผู้ฉลาดปีเข้าไปหากิเดียทันตืนเอาตืนเอาเป็นคนฉลาดแล้วเหรอมันต้องคิดแง่เหล่านี้การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้ว่าท่านผู้หนึ่งผู้ใด ผิดอุบายขึ้นมาให้ท่านทาัณฑ์แนะนำไปคิดเพื่อต่อสู้กับภัยที่อยู่ภายในหัวใจตนเองเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มพืที่กาลังความสามารถถ้าอุบายใดที่ควรจะคิดได้โดยตัวเองนั้นนะยิ่งเป็นอุบายที่เหมาะสมยิ่งกว่าครูบาอาจารย์ที่หยิบยื่นให้เป็นให น, หนและกินไม่หมดใช้ไม่หมดพิจารณาถ้าอะไรไม่มีวันหมดวันสิ้นลงไปได้เลยท่านจึงสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญา จะหลุดพ้นด้วยปัญญานี้เท่านั้นเป็นสําคัญเอาให้จริงให้จริรับนะปฏิบัติอย่าทำเลเลยลางนอนให้ถึงงานอันนี้เป็นงานชิ้นเอกเป็นงานคู่ชีวิตจิตใจางานพึ่งเป็นพึ่งกลางงานเพื่อจะหลุดพ้นจากเสือร้ายอันสําคัญคืองานเดินมีคมนั่งสมาธิภาวนานี้เท่านั้นงานเหล่านั้นเป็นแบบอย่างว่าอาศัยชั่วการช่วงเวลาไม่ถือเป็นสิ่ง สาระสำคัญได้มากนกะยิ่งกว่างานคือการต่อดถอนขีเด็ดพลาดพันธิเด็ดให้แหลกแตกกระจายภายในจิตใจเอาความวิมุติธรรมขึ้นมาครองตลอดอนันตการนี่เป็นงานที่เยี่ยมเป็นผลที่เยี่ยมไม่มีอะไรเสมอจึงพากันตั้งอกตั้งใจเป็นผู้แก่นาหูตามีให้ดูซึ่งกันและกันอย่าให้มีความขัดข้องอยุ่งเหยิงนึกกระโตกระเทือนกันเป็นอันขาดนั่นเป็นขีเด็ดประเภทดับอยาก เรามาตั้งใจระพฤติปฏิบัติให้มองดูหัวใจตนเองอย่าไปตีความหมายอย่าไปคิดถึงเรื่ององค์นั้นองค์นั้นไม่ดีองคนั้นโง่องนี้ฉลาดองค์นั้นไม่ดีอย่างนั้น อ, องค์นี้ไม่ดีอย่างนี้มากยิ่งกว่าการคิดถึงเรื่องเจตสิกธรรมของตนมันสอบมันหาเรื่องห้าทายอยู่ภายนอกมันไม่เนรมองดูคำผิดความพลาดความเคลื่อนไหวของจิตว่าเป็นประการใดบ้างด้วยสติปัญญาเลยให้ดูตรงไหนผู้ปฏิบัติหากมีเหตุมีผล หรือมีการอังควรที่จะควรแนะนำตักเตือนต่างกันไดให้ยอมรับเรื่งกัากันจึงเรียกว่าเป็นนากธรรมะอย่าให้ยุเดชเข้ามาแฝงว่าอวดดิบปวดดีว่าตนรู้ตนฉลาดแล้วไม่ยอมลงไข่สอนก็ไม่ยอมรับนั่นคือเรื่องของยุเดชไม่ยอมรับทำแล้วเป็นฆ่าศึกต่อกันขึ้นมาก็เพาะเดชพาให้เป็นฆ่าศึกไม่ใช่ธรรมบายเป็นฆ่าศึกผู้ทีตั้งใจรรปฏิบัติอยู่ด้วยกันจะมากจะน้อยใครยู่ได้ทั้งนั้น เหมือนอวัยวะเดียวกันเพราะเจตนามุ่งอัดมุ่งทำด้วยกันความปิดพรำพลาดอาจมีได้ด้วยกันแต่การมองกันในแง่อัดเนี่ยทำมองกันในแง่ให้อภัยมองกันในแง่เมตตานี้เป็นธรรมล้นลวนอยู่ได้ด้วยความปราสุขเงย็นใจตลอดไปตัวเองก็ไม่เดือดร้อนตัวเองก็ไม่สําคัญว่าตนเองนี้สูงกว่าผู้หนึ่งผู้ใดนอกจากจะอยู่ด้วยความถูกต้องแห่งธรรมเท่านั้นนี่เป็นความอยู่เป็นสุข ระว่างแห่งกันนะกันที่มาอยู่ร่วมกันข้อวัดปฏิบัติก็ให้ตั้งหน้าต่างๆประพฤติปฏิบตัติตอย่าให้มีหนักมีเบาในรายนั้นหลายมือตั้งหน้าต่งางๆทําด้วยความจําเป็นของตนเองจริงๆเพราะข้อวัดปฏิบัตินี้ทําเพื่อเราโดยกันทั้งนั้นแม้จะเป็นจิตส่วนรวมก็คือเพื่อตัวเองตัวเองอยู่นั่นแหละ แสดงธรพมกเห็นมาสมควรจึง ข, ขอยุติเพียงเท่านี้